ใจใหม่ตอนใจมีสมาธิใจมีสมาธิาธคือใจที่มั่นคงได้อย่างสบายอารมณ์ใจของผู้มีสมาธิเมื่อคิดคิดจริงเมื่อพูดพูดจริงเมื่อทำทำจริงเมื่อรู้รู้จริงเมื่อฝุงฟุ้งไม่จริงเมื่อบน บนไม่จริงเมื่อท้อท้อไม่จริงเมื่อหลงหลงไม่จริงคนจะมีสมาธิจริงไม่ใช่คนที่นึกว่าต้องนั่งดูลมหายใจวันละสิบนาทีแต่เป็นคนที่ฝึกตนให้เห็นค่าของลมหายใจเข้าออกเห็นว่าทุกลมหายใจเข้าออกคุ้มพอจะเฝ้ารู้เห็นจะเป็นลมยาวก็ดี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 แต่เป็นคนที่ถูกฝึกให้เห็นค่าแม้จิตที่ฟุง้งซ่านเห็นว่าทุกครั้งที่ฟุง้งซ่านเป็นทุกครั้งที่คุ้มพอให้รู้เห็นจะฟุ้งซ่านหยุหยิมก็ดีจะฟุ้งซ่านโอมานก็ดีจะฟุ้งซ่านมากขึ้นก็ดีหรือจะฟุ้งซ่านน้อยลงก็ดีถ้ารู้ได้ก็ถือว่าดีกับสติทั้งนั้นเพราะเมื่อรู้อยู่เรื่อยๆ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 จะเป็นชั่วเวลาเล็กๆขณะใดาของชีวิตถ้าใจจดใจจ่อรู้เห็นณขณะนั้นๆได้ก็ถือว่าดีกับชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเมื่อใดมุมมองที่ถูกเห็นทุกนาทีสำคัญกับการเจริญสมาธิเสมอชีวิตจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าไม่เอาแต่บนว่าอยากสงบเลิกอ้างแต่ว่า ไม่มีเวลาทำสมาธิที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่ต้องเครื่องครัวในท้ายที่สุดว่ารู้อย่างเนี้ยฝึก ป, ประงับอกประงับใจไม่ให้ฟุ้งตเตลิดซะก่อนตายนานๆก็ดีเพราะนาทีสุดท้ายที่ตั้งอกตั้งใจสร้างความสงบสุขตู้หลายสิบปีแห่งการสั่งสมพายุ ค, ความฟุ้งซ่านไม่ไหวเลย การตั้งเป้าหมายให้กับวันนี้คือก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างมีสมาธิการใช้ชีวิตแบบขาดสมาธิเริ่มต้นจากการขาดเป้าหมายพอขาดเป้าหมายก็เห็นความจริงได้ด้วยใจว่าใจไร้ทิศรูปชีวิตจะไร้ทิศใจคลุมเครือรูปชีวิตจะคลุมเครือ ใจรุ่มร้อนรูปชีวิตจะรุ่มร้อนใจผันผวนรูปชีวิตจะผันผวนเมื่อตั้งเป้าหมายดีๆเพื่อให้แต่ละวันก้าวไปถึงคุณจะรู้สึกได้ด้วยใจว่าใจมีทิศรูปชีวิตก็มีทิศใจชัดเจนรูปชีวิตก็ชัดเจนใจเยือกเย็นรูปชีวิตก็เยือกเย็นใจหนักแน่นรูปชีวิต ก็หนักแน่นรูปชีวิตที่เป็นสุขน่าพอใจจริงๆไม่อาจขาดสมาธิจิตเป็นส่วนประกอบและสมาธิจิตก็เกิดขึ้นเองลอยๆไม่ได้จิตต้องมีทิศทางว่าจะจดจอ่อกับอะไรให้ชัดเจนและมีความอิ่มใจกับสิ่งนั้นพอที่จะหยุดว้าวุ่นกับทั้งมีไฟพอจะเปลี่ยนพยายามต่อเนื่อง เพื่อผนึกใจให้หนักแน่นพอจะรวมลงเป็นสมาธิไม่อ่อนไหวซัดสายง่ายไดย้เหมือนเมื่อครั้งไร้หลักไร้เป้าหมายดีๆในชีวิตอย่าท่องตามๆกันแค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่รู้จะถามตัวเองว่าดีที่สุดของวันนี้คืออะไรให้หัดท่องเสใหม่เป็นทำวันนี้ให้มีเป้าหมาย จะได้ถามตัวเองให้ชัดว่ามีอะไรต้องทำหรือมีสิ่งใดสมควรสะสา항เพียงเท่านี้จิตก็เริ่มมีทิตทางคล้ายกับที่นักเล่นสมาธิเริ่มตั้งจิตว่าจะจดจ่อกับลมหายใจหรือจดจ่อกับคำบริกรรมพุทโพธแล้วอยู่กับอารมณ์สมาธิแบบไม่ต้องฟุ้งซ่านว่านี่เราจะทำอะไรเพื่ออะไรดี เพราะสิ่งที่ดีที่สุดนักขณะนั้นก็คืออยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมที่กำหนดไว้แต่แรกนั่นเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานชีวิตที่มีสมาธิชั้นดีสำเร็จได้ด้วยใจดวงเดียวเป้าหมายยิ่งชัดพลังในการพุ่งไปยิ่งเข้มข้น คาดหวังเกินกำลังเท่ากับจิตเป็นทุกข์เพราะท้อแท้มุ่งหวังพอดีตัวเท่ากับจิตตื่นเต็มยังรู้ตัวทำตามเป้าหมายเท่ากับจิตมีทิศทางวางแผนตามลำดับเท่ากับจิตรู้ชัดเจนใจเย็นทีละก้าวเท่ากับจิตสบายหายร้อนมีวินัยต่อเนื่องเท่ากับจิตหนักแน่นมั่นคง เป้าหมายที่พระเลือนมักจุดชนวนได้แค่พลังวูบ ว, วับวับติดติดดับดับเอาแน่ไม่ได้ว่าจะก้าวไปหรือจะหยุดอยู่พลังที่จะก้าวไปคืออันเดียวกับพลังที่ก่อให้เกิดสมาธิมีจิตแน่วแน่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําโดยไม่วอกแวกง่ายส่วนพลังที่ตกวูบจะกลายเป็นด้านกลับของพลังที่กระแทกใจให้เกิดความอ่อนเยือ ฟุ้งร้านโอลมานมีจิตอ่อนเปียกอยากถอนเท้าทอดหอยกับอุปสรรคแม้เศษผงเข้าตาหน่อยเดียวสำหรับคนทั่วไปความวอกแวกง่ายมาเกิดจากการไม่เอาจริงแต่แรกพบเหยื่อล่อให้เขว้หน่อยก็ถลายออกนอกทางทันทีสำหรับคนส่วนใหญ่ความท้อแท้ง่าย มาเกิดจากการเตรียมใจพบแต่ความสำเร็จไม่เคยรับฟังคนเคยผ่านทางว่าความสำเร็จในชีวิตคือการเก็บตัดสมชิ้นส่วนความล้มเหลวและหลายครั้งเอามาประกอบก่อร่างสร้างอนุสาวรีย์แห่งความสำเร็จขึ้นมาในที่สุดการถามตัวเองชัดๆและบ่อยๆว่ากำลังมองอะไรอยู่เป้าหมายใหญ่ๆของวันหน้าเป้าหมายเล็กๆของวันนี้ หรือเมฆหมอกตลัวเรือนไร้จุดหมายไปวันๆการได้คำตอบเล็กๆจากตัวเองบ่อยพออาจเป็นชนวนเปลี่ยนไปสู่ชีวิตใหม่ที่ใหญ่ขึ้นได้สูตรสำเร็จในการตั้งเป้าหมายให้ชีวิตนั้นไม่มีแต่ถ้าคุณฝึกโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำและพยายามทำให้มันคืบหน้าด้วยความชำนาญขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่ง ที่จังหวะและโอกาสลงตัวเป้าหมายของชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะโตขึ้นมาในใจของคุณเองปัญหาของคนที่ยังไม่มีคือไม่ตั้งเป้าว่าจะมีอะไรด้วยวิธีไหนส่วนปัญหาของคนที่มีแล้วคือไม่ตั้งเป้าว่าจะมีแค่ไหนถึงพอใจ เมื่อรู้สึกว่ายังไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยังไม่มีหนทางให้มีคนเราย่อมรู้สึกอับจนเศร้าหมองและพร้อมจะมองคนที่มีโดยอารมณ์น้อยใจวาสนาหรือไม่ก็ริษยาตาร้อนแบบไม่สมเหตุสมผลต่อเมื่อพบทางและพบใจตัวเองที่มุ่งเพียรมากพอความอับจนเศร้าหมองจะค่อยๆ ค, คลี่คลาย อารมน้อยใจวาสนาืิษยาตาร้อนจะค่อยๆหายไปเมื่อรู้สึกว่ามีแล้วแต่ไม่พอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทางมายังไม่ถึงจุดที่จะเห็นว่าความสุขทางใจมีความสำคัญยิ่งใหญ่เพียงใดก็จะไม่เกิดการตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาอะไรจริง เกิดจากความไม่พอใจในสิ่งที่มีแล้วจะกลับไปพอใจในสิ่งที่ยังไม่มีเป็นหลักซึ่งนั่นเป็นจนวนให้คิดถึงความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่กระทั่งต้องผลทุก์กับความไม่พอที่มีอยู่จริงไปจนตายในสถานการณ์หนึ่งหนึ่งในเหตุการณ์หนึ่งหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งถ้าฝึกคิดว่า มีอะไรแค่ไหนถึงจะพอใจคุณจะค่อยๆเพาะนิสัยใหม่ขึ้นมาคือมองข้ามเรื่องขัดหูขัดตาเล็กน้อยเล็งเห็นว่าโดยรวมได้สิ่งที่ต้องการแล้วหรือยังเหมือนเจนที่เข้าไปในร้านอาหารหวังกินจานโปรดก็จะตั้งโจทย์แค่ว่าได้กินจารโปรดแล้วพอใจแล้วไม่สนใจว่านักงานในการต้อนรับไม่เต็มที่ คนเยอะจนได้ของช้าอากาศอบอ้าวกว่าปกตินิสัยเล่งสิ่งที่ต้องการเพื่อมองข้ามสิ่งที่ขัดใจคือทางออกอันเป็นที่สุดทั้งสำหรับคนที่ยังไม่มีและคนที่มีจนไม่รู้จะมีอะไรดีแล้วที่เกียดลลกจากที่นอนเท่ากับ ที่เกียดลุกขึ้นมาพบกับความสำเร็จอากาศเย็นเป็นโอกาสยอมอ่อนแอสาหรับคนคิดนอนต่อจะเป็นโอกาสฝึกความเข้มแข็งสาหรับคนคิดลุกขึ้นมาสร้างวันใหม่ถ้าร่างกายอยากตื่นตามเวลาแต่จิตใจอยากหลับต่อเพื่องับเหยื่อล่อเล็กน้อยเท่ากับยอมให้อารมณ์ไขว้เขวครอบงำแค่เริ่มชีวิตวันใหม่ยังไขว้เขว และจะสส่งปัญหาวันเก่าให้ตรงจุดอย่างไรไหวเถ้าร่างกายอยากตื่นตามเวลาแล้วจิตใจตื่นตามโดยไม่สนเหยื่อล่อยวนใจเท่ากับฝึกกำจัดอารมณ์ไข้เฟ์เมื่อเริ่มชีวิตวันใหม่ตรงเวลาก็กำจัดอุปสรรคบนทางตรงสู่ความสำเร็จตรงทางถ้าทุกวันมีความพอใจจะตื่นนอนแต่เช้าตรู่ ยังรู้ว่าตัวเองอยากลุกขึ้นมาทำอะไรแปลว่าคุณมีสิ่งที่ดีกว่าทรัพ์สมบัติเพราะต่อให้มีทรัพย์มากมายอลังการแค่ไหนในที่สุดคุณจะรู้สึกเฉยเฉยไม่นึกยินดียินร้ายกับชีวิตหรือกระทั่งรู้สึกว่าชีวิตเหี่ยวเฉาน่าเบือ่อหน่ายต่หากขาดจริงๆอยู่สิ่งเดียวคือความพอใจจะตื่นขึ้นมาทาอะไรสักอย่าง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 แต่ความหมายของการตื่นจากสภาพหลับไหลจะสมบูรณ์ได้อย่างไรหากลืมตาขึ้นมาแล้วมีแต่การเปลี่ยนจากฝันกลางคืนมาเป็นฝันกลางวันมีแต่การลุกจากที่นอนอย่างเสื่องซึมมีแต่การเคลื่อนไหวคล้ายหุ่นยนต์ที่ถูกลากไปมีแต่การออกอาวยังไม่รู้จะล่องเรื่อยไปไหนดีมีแต่การโต้ตอบกับโลกภายนอกแบบงงๆ